ถราธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัอดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่8มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าคดีโลกคดีธรรมวันนี้เป็นวันธรรมดาวันศุกร์ เห็นพี่น้องประชาชนมาจากหลายแห่งทั้งขอนแก่นทั้งกรุงเทพทั้งอุดรและก็เป็นคณะคงจะติดพันมาตั้งแต่วันวิสาขบูชารัตวเวนไปตามวัดต่างๆกราบครูบาอาจารย์กราบวัดต่างๆแต่ก็คงจะกลับลงไปกรุงเทพแต่บางคณะก็ยัง ยังตัวเว้นอยู่ยังไม่ครบตามวัดอย่างที่ตัวเองตั้งใจแต่เมื่อวานก็ทราบว่าทางคณะลูกศิษย์หลวงปู่วัดโพธิสมพรก็จะเอาหนังสือมาถวายหลวงพ่อหนังสือประวัติของหลวงปู่แล้วก็มีคณะมาจากกรุงเทพวิทยาลัยห อ, อการค้ากราบครูบายจานจากที่ทต่างๆ เมื่อไม่นานมาเนี่หลวงพ่อเองก็ได้ไปสภาอุตสาหากรรมกรุงเทพไปที่สภาอุตสาหากรรมแต่ฟ่งฟังดูแล้วก็สภาอุตสาหากรรมเนี่ยเป็นหัวใจของประเทศเหมือนกันนะไม่รู้ว่าบริษัทห้างร้านไหนก็ขึ้นต่อเขาทั้งหมดแต่หลวงพ่อก็เขาให้ไปพูด หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดว่าพวกเราทุกคนอยู่ในประเทศชาติทุกวันต่อนี้ไปอีกไม่นานปีห้าสบแดก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วพวกเราได้เตรียมตัวอย่างไงไว้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาอุตสาหกรรมเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศชาติพวกเราได้คิดอะไรไว้บ้างไหมแต่ต่างคนก็ต่างคิด ก็คิดก็จริงอยู่ต่างคนก็ต่างคิดของใครของเราแต่ไม่เอาความคิดนั้นมารวงกันไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันต่างคนก็ต่างคิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันอย่างทุกวันเนีนะ่รัฐบาลประเทศชาติไม่รู้จะออกหัวออกก้อยทั้งที่คนในชาติใครๆก็อยู่ในสภาเนะี่ยปริญญาต ร, ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอก เอกหลายๆแขนงอีกต่างหากบางคนแต่ว่าเอาปริญญาเอกของตัวเองเนี่ยมาทะเลาะกันฮะแต่ไม่จริงน่าจะเอาปริญญาเอกทั้งหลายทั้งปวงมารวมกันให้เป็นพลังเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวไกลเพราะประเทศชาติชาติไทยของเราเนี่ยพวกเราคิดดูซิว่าในรอบด้าน พราะประเทศไทยของเราเนี่ยประเทศไหนที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นมีชาติไทยของเราท่านเองเป็นเอกรักษณ์หรือว่าเป็นเอกราชไม่ได้ขึ้นต่อประเทศใดเป็นเอกราชแต่พอเข้าประชาคม อ, อาเซีย น, นยประเทศไทยกับด้อยกว่าเขาล้าหลังเขาเดินตามหลังเขา ขนาดหลวงพ่ออยู่ในปา่าหงพงภัยหลวงพ่ อ, อยังอุดสูดูได้ว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขณะที่ประเทศไทยเป็นเอกราชบรรพบุรุษของพวกเราเป็นผู้พานําโด่งมาตลอดไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนเศรษฐกิจเมืองไทยก็ไม่แพ้ใครการอยู่การกินการพัฒนาประเทศชาติกลุดหน้าไปพอสมควร แต่มาถึงยุคนี้ทําไมคนในชาติจึงทะเลาะกันมีแต่ได้รับการศึกษาดีทั้งนั้นแต่ละปีพวกเราส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือต่างประเทศหมดไปกี่หมื่นกี่แสนล้าน ไ, น, นไม่มีใครคํานวณไม่มีใครคิดเพื่ออยากจะให้คนในชาติและลูกหลานของเรามีความคิดที่ดีมีหัวก้าวหน้ามีการพัฒนาที่ดีแต่ว่า พอมาถึงยุคนี้ทาไมแสดงว่าเรียนแต่ความรู้ได้แต่ความรู้มาแต่ขาดจริยธรรมขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมในจิตใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะลูกหลานทุกคนที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนเข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อเ น, เน้นหนักเรื่องศีลธรรมถ้าคนขาดศีลธรรมแล้ว ถึงตัวเองจะว่าเจริญขนาดไหนก็จะก็จะเจริญด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ได้คิดถึงใจเขาใจเราถ้ามีศีลธรรมจริยธรรมแล้วต้องคิดเขาเราเราเขาถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาเดือดร้อนถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิด อย่างไปปิดถนนหนทางก็เหมือนกันอไปเผาราดประสงค์อย่เหมือนกันที่หลวงพ่ออยู่ในป่าหรงพงภัยหลวงพ่อว่าทําไม่ถูกลูกหลานในความคิดหลวงพ่อแต่ทําไม่ถูกมันเกินไปคนอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนรวยทั้งหมดไม่ใช่บางทีขายกางเกง ข, ขาดขาดก็มีขายรองเท้าเก่าก็มีเพื่อจะได้ส่วนเกินมาเลี้ยงลูกส่งเรียนหนังสือแต่เราไปทําอย่างนั้นน่ะมันเดือดร้อนคนอื่นเขาหนาลูกหลาน มาปิดถนนหนทางของเหมือนกันอย่างที่มาปิดวัดของหลวงพ่อเนะีมาล้อมหลวงพ่อหลวงพ่อจะดีใจไหมหลวงพ่อก็คงจะทุกข์ใจและไปปิดบ้านของลูกหลานลนะ่ะไปปิดบ้านล้อม บ, บ้านของเราละ่ะเราทุกข์ใจมันเริ่สุขใจต้องทุกข์ใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใจใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราคิดว่าเราไปล้อมเขาเขาทุกข์ใจ เขามาคร้องบ้านเราเราทุกข์ใจเราก็ไม่ควรจะทําำนี่แหละจริยธรรมคือความประพฤติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิฑูวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติที่พระพุทธเจ้าเลยแนะนําสั่งสอนลูกหลานของพวกเราอันนี้พวกเราไม่ได้ลืมอิติปิโสของพระพุทธเจ้าพูดไปแล้วก็จบ ไม่ได้พิจารณาการกรองด้วยเหตุและผลเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะมาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อให้แ น, นวความคิดเป็นแนวความคิดของพวกเราขอให้พวกเราทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีทดําดีพูดดีแต่ก่อนที่จะคิดดีนั้นเราเอาอะไรมาคิดมันต้องเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน ได้วางไว้ดีแล้วนั้นเอามาคิดดูสิทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงสอนให้ทานคนเราเกิดมาด้วยกันอยูด่ด้วยกันมากๆนมันต้องมีการเสียสละถ้ามีการเสียสละเห็นแก่ตัวซะอย่างเดียวท่านนะโลกทั้งโลกเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าพวกเราเสียสละให้มีทานซะทานมันมีหลายอย่าง อมิสทานคือการให้สิ่งของวิทยาทานหรือ ว, ว่าธรรมทานคือให้ความรู้ให้แนวความคิดไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าให้เป็นให้ความรู้ความคิดเป็นไปในทางมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนโลกเดือดร้อนอีกเหมือนกันค็ว่าสัมมาทิฏฐิคำนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านวางเอาไว้นั่นเราเอามาเป็นกระจกเก่านํามาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ, เรื่องทานก็ใช่การเสียสละอมิสทานธรรมทานและเรื่องศีลเรื่งศีลคือกดกดและเบียบการอยู่ด้วยกันถ้าคนไม่มีไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดจะทําอะไรก็ทําจะเดือดร้อนใครฆ่าไม่ว่าเพราะว่าได้ ชาใจฆ่าก็แล้วกันใครจิดเดือดร้อนยังไงฆ่าไม่ได้สนฆ่าไม่ได้สนใจว่าใครคิดเดือดร้อนใครจะลําบากอันนั้นเป็ว่าขาดคุณธรรมในจิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องศีลคํานี้นะต้องคิดตูให้ดีว่าปานาติปาที่พระพุทธเจ้าสอนบอกให้พวกเราปฏิบัติอย่าฆ่ากันนะถ้าพวกเราไปคิดฆ่าคนอื่นฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขาละ เขาเสียใจไหมถ้าเขามาฆ่าเราละ่ะฆ่าพ่อแม่ลูกหลานของเราละ่ะญาติเก่าโหติกาของเราละ่ะฆ่าคนในชาติของเราละ่ะเราเสียใจไหมถ้าเราไปขโ ม, มยคนอื่นเขาเขามาขโมยของเราล่ะเราเสียใจไหมถ้าเขาเราไปขโมยของเขาเขาเสียใจไหมเหมือนกันสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ตาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าเราไปทำให้กับเขาเขามาทาให้กับเรา เราก็เสียใจเราไปโกหกเขาเหมือนกันเขาไปโกหกเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็การดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อดื่มสุราเมาสุราแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะคนเมาคนขาดสติเราดื่มทำไมเราอยากจะเป็นคนชั่วเหรอเราอยากเป็นคนบ้าเหรอต้องถามตัวเองอีก ถ้าคนอื่นคนอื่นเขาทําทําไมดื่มท่าไหรถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันขาดจิติแล้วมันดีไหมคนที่ขาดจิติมันดีไหมถ้าว่าคนดีกับคนที่เดินตัวโตื่นเตะข้างถนนมันดีไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องเอานำมาวิเคราะห์อันนี้แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเรานํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นเครื่องนําของชีวิตแล้ว ชีวิตของเราทั้งชีวิตก็จะเดินไปในทางที่ถูกต้องอันไหนควรไม่ควรอย่างไรอันนั้นเราคิดดีเมื่อคิดดีแล้วทําก็ทําดีเมื่อพูดก็พูดออกไปในทางที่ดีเพราะเหตุอะเพราะว่าเราคิดดีแล้วเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะอยู่ในสถานะไหนให้เป็นคนดีคนในชาติคนในชาติเขาต้องการทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความรู้ ผู้มีความรับผิดชอบผู้มีสติปัญญาผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าพวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกอยาก่าไปเน้นเรื่องด้านวัตถุมากจนเกินไปด้านวัตถุนั้นถึงจะสร้างขึ้นมาหรูหราโอ่อาขนาดไหนแต่คนในชาติขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม มีแต่คนกินเหล้าเมายาติดยาม้าคัญชายาฝิ่นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดถึงพวกเราจะสร้างขึ้นมาหรูหราโอ้อาขนาดไหนพวกนี้แหละจะเป็นผู้ทํำลายเพราะคนในชาติไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรร ม, มไม่มีจริยธรรมทําร้ายทําลายไปหมดเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่เห็นคุณค่าในด้านวัตถุแต่ถ้าว่าพวกเราสอนคนให้เป็นคนดีให้มีคุณภาพ ใ ห, ให้มีคุณธรรมแล้วให้มีศีลธรรมแล้วประเทศชาติค่อยๆเป็นค่อยไปออตัวเศรษฐกิจพอเพียงออไม่เป็นหนี้ไม่เป็นศินไม่มีอะไรที่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนในหลักของพทธศาสนาท่านสอนไว้หลายๆอย่างสำหรับการของชีพอุทาหะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน ถ้าคนเราขี้เกียจไม่ขยันหาทรัพย์คนนั้นจะรวยได้อย่างไงเนี่ยอุทาแนะสัมปทาต้องขยันขยันเรียนหนังสือขยันหาทรัพย์เนีขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพสัมมาทิฏฐิฉมราชีพเนียงว่าสัมมาชีพอาชีพที่ในทางที่ถูกต้องให้ขยันอุทาแนะสัมปทานราคาศัมปทา เมื่อสแสวงหาทรัพย์มาด้วยความยากลําบากแล้วเราก็ต้องรักษาทรัพย์สมบัติหรือตําแหน่งหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าให้มันขาดตกบกพร่องสมงว่าเมื่อเราเรียนหนังสือแล้วเราไปสอบได้ตําแหน่งที่ดีแต่เรามากินเหล้าเมายาเข้าไปโดนเขาไล่ออกหรือทําความชัว่วจนถอนใบประกอบสิทธิ์โรคอาชีพของเราออกซะเพราะเราทําตัวไม่ดี อั น, น้ก็บอกขาดการรักษาสัมปทาคือขาดการรักษารักษาทรัพย์สมบัติรักษาหน้าที่ตําแหน่งการยานามิตรตาคบเพื่อนที่ดีงามคนเราอยู่ด้วยกันมากๆเลยไม่ใช่จะเป็นคนดีทั้งหมดไม่ใช่จะเป็นคนเลวทั้งหมดอแล้วก็เสมอเป็นคนกลางๆงก็มีระดับยอดเยี่ยมก็มียอดเยี่ยมมันคืออะไรคือพระพุทธเจ้า น, นั่นยอดเยี่ยมจริงๆทั้งหมดกิเลส พระอรหันต์ยอดเยี่ยมเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมต่อมาลองลงมากับพระอนาคามีพระสักขาคามีพระโสดาบันจากนั้นกัปุตุชนธรรมดาปุตุชนก็ม า, มาแกแย่แย่อีกมีหลายขั้นตอนอีกเหมือนกันที่คนดีคนเร็วเร็วสุดๆคืออะไรเร็วสุดๆพระพุทธเจ้าที่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิด พวกที่มีเห็นผิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วบาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญอันนี้เป็นปะทะประมะเรียกว่าเป็นบุคคลที่น่ากลัวมากอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฐิไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฐิพวกมิจฉาทิฐิพระพุทธเจ้าทว่าเมื่อตายไปแล้วไปตกโลกันตนานรกคือเป็นนรกที่มืด เหมือนกับเราเข้าอยู่ในกระป๋องนั่นแนหะกระป๋องเราปิดมัดบัดเกลียให้ดีเลยไม่อยู่อย่างงั้นนะอันนั้นแหละดวงวิญญาณที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทนวายอย่างนั้นนะโลกันตะมืดอันนี้พวกเราได้ยินคำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํามาวิเคราะห์ดสิมันมืดอย่างนั้นจริงไหมมิจฉาทิฏฐิใช่ถ้าคนเห็นโชวลังเอาแต่ตัวเองไม่เห็นความดีความชั่วคนอื่นนะ่ะทําไปหมดได้ทุกหมดอันนนแะพวกมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถ้เกิดสัมมาชีพแล้วก็เราก็ต้องนำทเอันไหนที่เกิดประโยชน์อันไหนที่เป็นโทษนำมาคิดนำมาพิจารณาการกรองด้วยเหตุและผลนี่แหละที่นี่พวกเราจะแยกแยะออกได้เพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยให้ดูประเทศชาติชาติไทยของเราบรรพบุรุษของพวกเราพระเจ้าแผ่นดิน ตั้งแต่กรุงศรีอินตราธิติพ่อคุณรามคำแหงกรุงศรียุทธยากรุงรัตนโกสินมาถึงพวกเรามาถึงขณะ น, นี้พวกเราจะต้องช่วยกันประคับประคองดูแลประเทศชาติเอพร้อมกับพุทธศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็ดีพุทธศาสนาก็ดีเป็นศาสนาประจําชาติของพวกเรามาแต่ดึกดำบรรพพวกเราเห็นมไหมฐาวนวัตถุในพุทธศาสนา มีมากในประเทศชาติของเราบรรพบุรุษของพวกเรานับถือพระพุทธศาสนานี่ยแต่นำมาสิเราคิดพิจารณาดูสิว่าบรรพ่อปุรุษของพวกเราเนี่โง่หรือฉลาดแต่หลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่อย่างเนี้ยหลวงพ่อบันพ่อปุรุษของพวกเราในฉลาดมากที่นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นาศาสนามาตั้งแต่ดึกดําบันพ์เพราะเหตุไร หลวงพ่อไม่ได้เชื่อด้วยศรัทธาเฉยๆนะไม่ได้ใช่ศรัทธาไม่ใช่เสนาม ก, กีกาเขาจูงลากไปที่ไหนก็ไปเหมือนกับควายไม่ใช่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อใช้ปัญญาเหมือนกันวิเคราะห์ดูสิพุทธศาสนาเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนีพูดเบ้งต้นทานศีลเออเป็นยังไงถ้าคนไม่มีศีลเป็นยังไงคนไม่มีกฎระเบียบเรื่องภาวนาเลยนะศาสนาอื่นนะใครก็ตามในโลกนี้ยังไม่มีคามํ า, า, ว, า, ค ว, าว่าภาวนาคําว่าภาวนาคํำนี่แหละคือ มีสมาธิสติสัมปชัญญะมีสติอยู่กับตัวเองและการพิจารณาดูใจตัวแนวความคิดตัวผู้รู้นในหละักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าดงพงไัยถึง6ปีนะ่ท่านไปนศึกษาค้นคว้าเรื่องของใจพอศึกษาออกมาแล้วถังววาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกหลานทุวกวันนี้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติมานมนานอยู่ในป่าดงพงไพ่เอียออกไปอยู่ภาวนาอยู่ตามภูผาป่าไม้ท่านไปนั่งภาวนาท่านไปดูใจของท่านคือพยายามทำใจของท่านให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วตัวนี่แหละเป็นตัวใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าร่างกายที่หลวงพ่อเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เป็นข้อเท้านะปวดมากที่มันเป็นแต่ก็รู้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถร่างกายเหมือนกับรถเนี่ยพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาพ่อแม่กูบายอาจารย์ค้นคว้าศึกษาร่างกายเหมือนกับรถพอมันปวดขึ้นมามันมีที่ปวดเราก็เขยา่าเรารักษาด้วยตนเองพอรักษาเหมือนกับตะกรนตะกันนะมันไปนติดอยู่ในท่อ น้ำมันพอมันหลุดออกมามันหลุดมาเราก็ดีใจรถวิ่งได้โอ้โหเราเนี่เก่งครัเอเราขย่าขึ้นมารถเนี่ยวิ่งได้เนี่ยเหมือนกับเราหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรานวดอะไรขึ้นมาก็หาย เ, เราก็ดีใจแต่พอขึ้นมาตะกร่มก้อนใหญ่ขึ้นมาอีกเนี่ยมันขย่าต้องใช้เวลานานเนะพอเพอขย่าตัวเองไม่ได้ต้องหาคนอื่นมาขย่าช่วยคือหาแพทย์หาหมอมารักษาเนี่ย ออันนี้ก็คือพอรักษาได้ก็หายเออก็ดีมีคนอื่นมาช่วยแต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าถึงจะหมอก็หมอเถอะอจะมาตรวจกระตรวจจะรักษาอย่างไงก็รักษาเถอะไม่มีวันหายอาพอในสุดก็ตายนี่แหละอันนี้คือว่าคําว่าตายคํานี้แหละคือรถคันนั้นมันเสียเอรถมันหมดสภาพแล้วเราทํำยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าท่าน ให้ดูเลยรถเหมือนกับรูปประธรรมคือร่างกายโซเฟอร์รถเหมือนกับนามธรรมคือจิตใจแต่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปประธรรมเนี่ยจุดนี้เราให้ลูกหลานศึกษาทีนี้กว้างขวางมากเลยท่านถ้าเราจับประเด็นได้แล้ว เ, เราจะรู้ได้เราใจกับกายกายกับใจนี่มันเป็นคนละอนกันแต่พระพุทธเจ้าชําระใจ ถ้าชำระใจใจที่มีกิเลสราคะโทสะโมหิใจเต็มไปด้วยกิเลสใจตรงนี้แหละจะพารถคันนี้ยอไปชนคู่ชนคนเหยียบคู่เหยียบคนบีบแตรดะไปหมดหาความสขบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะโซเฟอร์อันตรพานโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมโซเฟอร์อันไม่มีจิริยธรรมโซเฟอร์ดื่มเหล้ากัญชายาฝิ่นแล้วก็ขึ้นไปขับรถ รถคันนี้มันก็เลยไปตามที่โซเฟอร์สั่งโซเฟอร์คนนั้นน่าจะได้นํามาอบรมนํามาสั่งสอนเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าไปในเมื่อเจ้าขับรถเจ้าต้องระมัดระวังถ้าไปเฉียวคู่ชนคนเข้าถ้าเขามาชนเราละ่ะถ้าเราไปชนเขาใช่เราไม่มีความรู้สึกอะไรเราเห็นงูเราก็เหยียบงูใช่เราไม่มีความรู้สึกอะไร แต่ว่าคนอื่นมาเบียดเบียนเราล่ะถ้าเราเป็นงูล่ะถ้าเขาไม่เหยียบเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงพอใจไหมนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนโซเฟอร์ให้มีจริยธรรมที่ดีให้มีคุณธรรมในเมื่อโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วจะทำอะไรออกไปก็ต้องคิดให้รอบคอบอย่าให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธเจ้า อยาว่าบรรพบุรุษของพวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนามาตั้งแต่ดึกดาบันพวกเราในฐานะลูกหลานต้องค้นคว้าศึกษาพระวิชาในโลกนี้ขนาดห อ, อการค้าอย่างเดียวพวกเราก็ยังเรียนไม่จบเมื่อเราเรียนห อ, อการค้าแล้วเราจะเก่งทางแพทย์ทางหมออย่างนั้นด้วยใช่ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ หมอก็คือหมอแต่หมอเฉพาะทางเลยมีอีกตั้งเยอะแยะไปเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพวกลูกหลานจะเรียนทั้งวิชาใน ห, หอการค้าแล้วจะมารู้วิชาเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้หลวงพ่ออีกเหมือนกันหลวงพ่อเรียนนํามาทางหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจะไปเรียนเป็นรู้ทั้งหมดเอย่างลูกหลานที่เข้ามาหาหลวงพ่อเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกัน หลวงพ่อเรียนพุทธศาสนาขนาดเรียนอย่างเดียวหลวงพ่อก็โอ้โหกว้างขวางมากพระธรรมแปดหมืี่พันพระธรรมมขันมันไม่ใช่ของง่ายๆแต่หลักของพรรุทธศาสนาพระรรพุทธเจ้าก็สรุปทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการสรุปหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปเหมือนกันถึงเราจะพูดมากไปขนาดไหนก็เถอะ8ปดหมสี่พันพระธรรมคันแต่ย่นดรอมาคือใจมาอยู่ที่ใจทั้งหมดรวมอยู่ที่ใจ ถ้าว่าดูใจตัวเดียวเท่านั้นล่ะตัวนี่แหละเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวออกไปจากใจทั้งหมดก่อนจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนออกไปจากหนึ่งถ้าไม่มีหนึ่งซก่อนจะไม่มีสองอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะรู้สิงทั้งหลายทั้งปวงได้ต้องมาหาหามหาใจใจเป็นหลักใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนารวมลงอยู่ที่ใจแต่สรุปแล้วก็คือรวมอยู่ที่ตัวโซเฟอร์ โซเฟอร์จะมีมารยาทดีไหมนิสัยดีไหมมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศิยธรรมมีจริยธรรมนะเป็นคนกว้างขวางไหมนี่แหละดูโซเฟอร์นะนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเพรฉะนั้นพวกปลูกหลานคณะัทธายาตโยมทุกๆคนนะพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่มีเหตุผล พูดอย่งงางนาั้นศาสนาเหตุผลพุทธศาธสนาจะมาถามเรื่องอะไรถามได้จะถามเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติก็อย่างว่าอีกเหมือนกันเหมือนกับเราดูแผนที่ถึงจะเก่งขนาดไหนแต่เก่งแผนที่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามแผนที่แล้วมันไปไม่ถึงไหนหรอกมันก็อยู่นั่งอยู่กับที่อย่างเก่านั่นแหละแผนที่มันอยู่กับที่ฮะมันต้องเดินเมื่อเราอ่านแผนที่ดูแล้วเราก็ต้องเดินตามแผนที่นั่นะแหละจึงจะถึงจุดหมายปลายทาง นี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนะคือแผนที่เมื่อเราศึกษาแผนที่ได้แล้วเราจะต้องนํำตามประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราคนในสุดใจของเราก็จะประสบสําเร็จสมความ ม, มาุ่งมั่นปรารถนาถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานตามที่พระพุทธองค์ได้วางเอาไว้ตางได้วางแผนที่เอาไว้พวกเราเดินตามแผนที่แล้วไม่เป็นอย่างอื่น เพราะพระพุทธเจ้าท่านรับรองในทำคําสอนของท่านว่าสวากาตธรรมทำคําสอนของเราตถาคตรัสไว้ชอบแล้วให้พวกท่านทั้งหลายเดินตามถ้าพวกท่านทั้งหลายเดินตามจะประสบความสําเร็จสงความมุ่งมา่นปรารถนาท่านเดินตามคดีโลกพวกท่านก็จะประสบความสําเร็จในสงความมุ่งมา่นปรารถนาทางคดีโลกแต่พวกท่านเดินคดีธรรมพวกท่านก็จะสรุปสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาทางคดีธรรมคดีโลกคืออะไร คดีโลกก็คือสิ่งเนีแล้วก็ลุงพ่อที่พูดว่าอุทนาะสัมปทาอรรคะสัมปทาการยาณมิตรตาคบเพื่อนที่ดีงามนี่ยแหละอุทนาะสัมปทาคืถึงพร้อมด้วยความหมั่นความข ย, ยันอรรคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์การยานมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบถ้าพวกเราเดินทางเดินทำเดินทางสายนี้พวกเราก็จะประสบสําเร็จ ทางคดีโลกแต่ทางคดีธรรมพวกเราทางงั้งหลายนำมาใช้สมาธิธรรมใช้ปัญญาธรรมพิจารณากานกรองไตรทองเหตุและผลนั่งสมาธิธรรมจิตใจให้สงบจากนั้นก็ใช้ธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะอันนี้บอกคดีธรรมนีคดีโลกและคดีธรรมถ้าพวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติแล้ว จะสำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาต่อนนี้ไปพระสงฆ์เจ้าโนโมธนาให้พร